มหานิกายธรรมยุทธ์คือศากยบุตรอันเดียวกันวัดหรือสำนักใดก็ตามที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ให้ความเคารพนับถือเข้ากันได้อย่างสนิทใจ โดยไม่ถือในเรื่องกลุ่มก้อนหมู่เหล่าไม่ถือเรื่องชาติเรื่องภาษาเรื่องชั้นวันณนะไม่ถือเรื่องชื่อเรื่องนิกายเป็นประมาณยิ่งกว่าธรรมนิไนดังตัวอย่างคราวหนึ่งท่านปรารภเรื่องนี้กับพระทางมหานิกายใจความว่าพระครั้งพุทธกาล ท่านมีแต่ศาค ก, กะยะบุตรเท่านั้นท่านไม่มีนิกายนั้นนิกายนี้นิกายนี้ตั้งเป็นชื่อเป็นนามไม่เห็นสำคัญอะไรตั้งฟาจจรวดดาวเทียมก็ไปตั้งชื่อนักโทษสิมันอยู่ในเรือนจําแต่ชื่อมันอยู่ฟาจจรวดดาวเทียมใครนักถือไหมนักโทษคนนั้นนี่เขาชื่อเขาสูงนะนักโทษคนนี้นะมาติดคุกต่างหาก แต่ชื่อเขาอยู่ฝากจรวดดาวเทียนนี้คนจะยอมรับนับถือเขาใหม่นั่นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันลงถ้ามาประพฤติปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยก็เรียกว่าลดคุณค่าของตัวลงโดยลำดับชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ชื่อตั้งไว้อย่างนั้นแหละ ตั้งแต่เป็ดแต่ไก่หมูหมาเขาก็ามีชื่อพระก็ตั้งไว้อย่างนั้นหลักใหญ่คือศาสต์กยบุตรขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหลคือผู้จะทรงมรรคทรงผลและผู้ทรงมรรคทางผลชื่อน้ำเฉยเฉยนั้นตั้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ใช่ผู้ทรงมรรคทรงผลโลกประเพณีเป็นมาอย่างนั้น อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นในเรานี้เป็นผู้พูดเสเองนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านไม่ได้สนใจกับชื่อ น, นะท่านสนใจกับหลักธรรมหลักวินัยสาสกะยะบุตรต่างหากฉะนั้นเวลาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านที่เป็นฝ่ายมหานิกายมาขอยาติกับท่านท่านอาจารย์มั่นนี้เองพูดให้เราฟังนะ เราถึงได้พูดอย่างอาถานท่านว่าท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจำนวนมากและท่านเหล่านี้จะมาขอยติกับเราท่านว่าไม่ต้องยติท่านพูดตรงตรงอย่างนี้เลยท่านสั่งเลยนะมัคคาวนสักคาวนไม่มีเพศก็ตั้งขึ้นแล้ว ทางสังคมยอมรับกันทั้งธรรมยุทธและมหานิกายนี่เป็นความยอมรับทั่วหน้ากันแล้วในสังคมส่วนธรรมวินัยก็เป็นที่เปิดทางให้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบไม่มีคำว่านิกายนั้นนิกายนี้ขอให้เป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าได้เสมอหน้ากันหมด นี่หลวงปู่มั่นท่านแสดงผมสงสารเพื่อนฝูงของท่านมีจํานวนมากถ้าท่านทั้งหลายยติเสียจแล้วหมู่เพื่อนก็จะเข้ากันไม่ติดไม่ต้องยติแหละคำว่าเพื่อนฝูงได้แก่ธรรมยุทธ์มหานิกายที่เขาตั้งชื่อกันอย่างนั้นเพราะโลกเขาถือสมมุติถ้ายติแล้วก็เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ นี่คณะของท่านมีเป็นจำนวนมากควรได้รับประโยชน์จากท่านทางด้านอัตธรรมบ้างจึงไม่ให้ยติท่านบอกอย่างเด็ดขาดไปเลยทางด้านปฏิบัติสักขาวรมักคาวรไม่มีต่อผู้ปฏิบัติดีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีนี้ไม่มีหวังว่างั้นเลยนะอยู่กับข้อปฏิบัติท่านเล็งผลประโยชน์โน่นนะ ท่านไม่ได้เล็งนิกายนั้นนิกายนี้นะพอเวลายติแล้วเขาก็จะถือว่าเป็นคณะนั้นคณะนี้ไปเสียผู้ที่ไม่เข้าใจในอัตในธรรมมันก็เข้าไม่ถึงผลประโยชน์ก็ขาดไปว่างั้นเมื่อพวกท่านได้กระจายออกไปทางด้านธรรมะนี่แล้วเวลาไปที่ไหนพวกท่านทั้งหลายนี้มีพวกมากเสียด้วย ก็ยิ่งกระจายมากผลประโยชน์ก็มากจึงไม่ต้องยติดีท่านว่าผลประโยชน์มากกว่ายติท่านพูดตรงตรงเลยละ่ะท่านเล่าให้ฟังนะพูดถึงลูกศิษย์ลูกหาของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้ว่าธรรมยุทธ์หรือมหานิกายใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านชมเชยทั้งนั้นนั่นละ่ะ ผู้เป็นธรรมเป็นอย่างนั้นเอาหลักธรรมหลักวินัยนั่นหละเป็นหลักของพระอันนี้เป็นหลักที่แน่ใจตัวเองก็อบอุ่นไปที่ไหนเย็นหลักเพราะพระมีธรรมมีวินยัยมีเมตตาไปพร้อมเย็นไปหมดไม่มีธรรมไม่มีวินยัยใจดำน้ำขุ่นตีบตันอั้นตู้ดูไม่ได้ พระใจดำน้ำคุณตีตันอั้นตู้หาเมตตาไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟในตัวเองก็ไปเผาบ้านเผาเมืองต่อไปอีกละ่ะเนี่ยไม่ดีไปที่ไหนเย็นดูจิตเจ้าของตลอดนี่หละผู้ปฏิบัติธรรมต้องดูจิตเป็นสำคัญศีลก็ดีสมาธิปัญญาวิมุตตุดพนออกไปจากจิต สติปัญญารักษาจิตบำรุงจิตให้ดีอยู่ไหนเย็นสบายไปหมดนี่ละมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้นี่กายนั้นนี่กายนี้นะอันนั้นตั้งไว้โกโก้ไปอย่างนั้นแหละ ไม่สำคัญเท่ากับธ ร, รมวินัยในเรื่องนี้แม้ท่านก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นนิกายใดขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นท่านพอใจและเข้ากันได้อย่างสนิททันทีท่านพูดอย่างเด็ดขาด ย้ำกับบรรดาพระเนนคณะดังกล่าวอีกว่าพระผู้มุ่งท ร, ร ม, มุ่งวินัยด้วยกันแล้วไปที่ไหนสนิทกันหมดไม่ได้เหมือนโลกนะไม่มีนิยมนิกายนั้นนิกายนี้ขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิททันทีเลยสำหรับหลวงตาบัวเองใครจะว่าบ้าก็ตามไม่มีชื่อ ตั้งไว้อย่างนั้นก็โก้ไปอย่างนั้นลหละทรมยุทธมหานิกายใครก็ตามถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วจะเป็นเทวดา ม, มาจากฟ้าก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแหละแม้จะเป็นนิกายเดียวกันชื่อเดียวกันก็ตามถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วไม่เข้าหน้านะไม่อยากมองดูจนกระทั่งหน้าจะว่าอะไรทำวินัยเป็นเครื่องบังคับ หรือเป็นเครื่องยืนยันว่าจะเข้ากันได้สนิทหรือไม่สนิทเพราะอะไรถ้าทำวินัยการปฏิบัติเข้ากันได้แล้วเป็นศาส ก, กะยะบุตรเหมือนกันหมด